อนุบัญญัติ1น8 6อันึ่งภิกษุณีใดผู้ไม่เป็นไข้โดยสารยานไปต้องอบัติปลาจิตตีเรื่องภิกษุณีเป็นไข้จบ